โยมจะถ่ายรูปถ่ายถ่ายช น, นะตอนเทศอย่าถ่ายนะ้อ <c oughs> ถ่ายรูปทีหนึ่งธรรมะหายไปหมด <c oughs> เพราะหลวงพ่อไม่ได้เตรียมสคริปต์ไว้ให้สามสิบวินาที <c oughs> อพอแล้วนะพอแล้วธรรมะจริงๆนะเรียนไปเยอะพอสมควร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 กายสังเกตใจของเราบ่อยๆกายกับใจก็จะสอนธรรมะเราเองนะไม่มีอะไรหรอกง่ายง่ายจริงๆนะไม่ได้หลอกเด็กหรอกแค่รู้สึกนี่คนทั้งโลกนะรู้สึกตัวไม่เป็นคนทั้งโลกตั้งแต่ตเกิดจนตายรวมทั้งสูงสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่เกิดจนตายมันตื่นขึ้นมาเฉพาะตัว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 ใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรมีแต่ความสุขอยู่ในตัวเองอิ่มเอิบเบิกบานสดใสราบซ้านะเนี่ยชักง่วงแล้วต้องเปลี่ยนเสียงเทศแล้วนะแ <c oughs> ม่เทศทีไรท่าตั้งแต่ต้นจนจบหลวงปู่ดูลั่นสอนนะบอกว่าเวลาแสดงธรรมนะต้องแสดงให้ครบนะอริยัตปฏิบัติปฏิเวทเอาให้ได้ให้ครบถึงจะมีอัธรรถของการฟังของการแสดงธรรม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 แม่ยายดา่าพ่อตาเตะอะไรย่างนี้ไม่ต้องมาเล่านะอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปเล่าที่อื่นนะบางคนมาเจอหลวงพ่อแนละ้วพยายามจะมาเล่าวเมื่อคืนนี้ฝันอย่างโน้นมันมันลืนนี้ฝันอย่างนี้ฝันเสียเวลานะเวลาของเรามีน้อยพวกเราแต่ละคนเราจะตายเมื่อไรไม่รู้งั้นเราต้องรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะการฟัง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 เราก็จะไม่ไปถามหลวงปู่ครับสุขภาพสบายไหมอะไรเงี้ยไม่ถามนะถ้าจะถามก็เคยถามหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อครับเป็นทุกข์พอทนได้ไหมหลวงพ่อพุดยิ้มหวานบอกยังพอทนได้อยู่นคนก็ว่าเราไปแช่งครูบาอาจารย์อีกนะไปถามท่านว่าเป็นทุกข์มากไหมงั้นอย่าเสียเวลานะเวลาแต่ละคนมีจํากัดศึกษา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 โหโหโทโสบางคนโกรธอาคาดแค้นหลายปีมาขอขอมาทีหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนก็ขอขอมารายวันรายเดือนนะาันต้องอดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อดทนต่อความยากลำบากการปฏิบัติธรรมบางทีก็ลำบากเหมือนกันขี้เกียจอยากจะนอนใช่ก็ต้องคอยลุกขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจอะไรเนี่ยต้องอดทน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 นะถ้าอดทนอย่างที่หลวงพ่อว่าได้นะการภาวนามันก็จะได้ผลเร็วนะการภาวนามันจะได้ผลเนี่ยขั้นแรกสุดต้องรู้วิธีปฏิบัติก่อนเมื่อรู้แล้วนะต้องอดทนต้องพักเพียรต้องต่อเนื่องในการปฏิบัติไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดนะทําำหยุดหยุดไม่ได้กินหรอกหนะลวงพ่อที่หัดภาวนามานะครูบาอาจารย์ชมว่าทําได้เร็วเพราะว่าหลวงพ่อไม่เคยเลิกเลยนะตั้งแต่เด็กๆไปเรียนกับท่านพ่อรีท่านสอนให้ทําสมถะก็ทํ า, าทสมถะไม่เลิก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 พรขั้นปลายๆเนี่ยฆราวาสทํายากนะกระทบภาษาที่หยาบตลอดเลยภาวนาไปในขั้นละเอียดทํายากแต่ในขั้นที่หยาบหยาบภาวนาในขั้นต้นนะโสดาสกาิทาคาอะไรเนี่ยเป็นฆราวาสเนี่ยทำได้นะไม่ได้ปิดกั้นนะธรรมะไม่ใช่เป็นของผูกขาดไม่ให้พร ะ, ะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้กับบริษัทสี่คือทุกคนนั่นเองเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นฆราวาสก็ได้ฟังให้รู้หลัก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 เดินอยู่ในวัดนะเดินก็สุกจังเลยสุกจังเลยนะสุกหนอสุกหนออย่างเงี้ยท่านคงมไม่ได้ว่าสุขหนอหรอกนะท่านคงพูดภาษาแขกนะฝึกนะเรามีความสุขอเชิญถามได้กลับกลับพระอาจารย์ครับส่งการบ้านครับคือสังเกตว่าตอนนี้มีธรรมะใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดคือสภาวะธรรมนี่เกิดขึ้นเหมือนเองอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนแล้วก็มันมา ไม่ค่อยได้หยิบนักมันยังไงนอ่าเอ อ, เ อ, อคือมีธรรมะใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดครับอาจารย์มาแล้วก็ไปไม่ต้องทําอะไรไม่ต้อ<ท>า <ำ S 2> หน้านต่อตาใช่ก็รู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยดิ้นรนอืมก็อยู่เฉยๆมันก็มาละแล้วมันก็ไปแล้วก็มันก็มีแค่นี้ใช่เราเรียนรู้ันไปเรื่อยนะคนทั่วไปมันก็คลุกอยู่กับโลกคลุกอยู่กับโลกปนเปอยู่กับโลก พอเราจเจริญสติขึ้นมา weather, ใจเราตั้งมั่นขึ place, اء, ้นมา days, H, เราเห็นโลกอยู่ส่วนโลกโลกนี้ไหลมาไหลไปกิเลสไหลมาไหลไปธรรมะไหลมาไหลไปนะแล้วเราแค่แค่รู้สึกใจเราก็ถอยออกมาจากโลกมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งมันก็ข hey าดออกจากโลกมันเห็นเลยโลกนี้ไร้สาระคือสภาวธรรมทั้งหลายร้อนแต่ไร้สาระไร้สาระเพราะไม่เที่ยงมั่งไร้สาระเพราะเป็นทุกข์บัางไร้สาระเพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับม้าง ดีฝึกไปประคองมากไปนิดนึงนะประคองเยอะไปนิดนึงปล่อยซะปล่อยกลับน้ัสการหลวงพ่อครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาระยะหนึ่งครับแล้วก็ตามลูกายตามรูใจมาระยะหนึ่งครับก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นถูกทางหรือยังครับถูกทางแล้วนะปฏิบัติไปเรื่อยๆครับนแล้วมันจะถูกมากขึ้นมากขึ้น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 รู้สึกไหมทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปดับไปไม่ต้องแทรกแสงนะให้รู้เฉยๆอยากเข้าไปแทรกแสงเดี๋ยวนะคนที่ใส่แว่นตาเนี่ยบังคับแรงไปน้นมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะก็จะส่งการบ้านก็ช่วงหลังๆรู้สึกว่าตัวเองรู้ตัวบ่อยขึ้นแล้วก็จิตชอบไปจม เลื่อนลอยอยู่กับอะไรบางอย่างบ่อยๆคือก็ไม่รู้ว่าอยู่กับอะไรแต่คือจมบ่อยมากๆก็รู้สึกบ่อยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้น่าจะรู้ตัวบ่อยขึ้นแล้วอะค่ะก็อยากถามว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนําแล้วก็ให้การบ้านเพิ่มหมเจ้าค่ะก็ทําเป็นแล้วหลวงพ่อก็แนะไปแล้วนะทําเป็นแล้วต้องขยันนะทํำเนือ ง, งดูเรื่อยๆยัง<ๆ>ไม่มีอะไรต้องแบบติด ข, ขัดหรือว่าต้องแก้ไขใช่ไม้มไม่มี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 ไม่ต้องแก้ไขมันแก้ของมันเองนะจิตมันแก้ของมันเองเราไม่ต้องไปช่วยมันแก้เข้าใจไหมน้มาสการหลวงพ่อค่ะเคยไปส่งการบ้านการหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมมาก่อนนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังเพ่งอยู่หนูเสียใจไ้มตอนนั้นจิตตกเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เลยไปดูใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันคลายออกแต่ก็ หนูไม่แน่ใจว่ามันใครายออกจริงหรือว่าหนูชินกับความเพ่งไปแล้วมันใครออกนะรู้สึกไหมมันเบามันโล่งเห็นไหมกิเลสมันเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาคถ้าไปนิ่งๆอยู่นะทั้งวันกิเลสไม่เกิดหรอกก็นิ่งๆอยู่งั้นแนหะกลายเป็นว่าเราเป็นคนดีละค่ะไม่<ต>ดีจริงนะอย่างนั้นเข <laughs> าเรียกว่าหินทับหญ้าแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ทราบหลวงพ่อมีกันบ้านจะให้ไปดูอะไรหรือทำอะไรเพิ่มหรือเปล่ารู้ปัจจุบันไป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 ไ, ได้สมรรถะแต่เบื้องต้นจะบริกรรมก่อนก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นบริกรรมแต่ว่าต้องรู้วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าบริกรรมเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะอันนั้นกำลังปรากฏอยู่เช<ๆ>่นความโกรธเกิดขึ้นจะโกรธน้อโกรธน้อแล้วค่อยๆดูที่ความโกรธไปสังเกตออกความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่อยๆรู้ไปเห็น <S <S ความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่โกรธน้อโกรหนอเพื่อให้หายโกรธ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 เราถือว่าเราเบียดเบียนสัตว์หรือไม่คะเราควรจะหันมาทานอาหารเจหรือมังสวิรัตไหมคะเจกับมังสวิรัตมันแยกกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหลว่อไม่เข้าใจกินผักน่าจะจริงสัตว์ะคะไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานเนื้อสัตว์นะถ้าไม่ทานแล้วสุขภาพดีก็อย่าไปทานมันจริงๆเราไม่ได้กินสัตว์นะเรากินวัตถุ แต่ถ้าเรากินสัตว์เราเห็นสัตว์เป็นๆ อ, อย่างเนี้ยอยากกินสั่งให้เขาเชื้อมาให้กินอย่างเนี้ยเราเราฆ่าสัตว์นะจริงๆแล้วอาหารทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาหรอกแต่อาหารมันเหมาะกับาธาตุกับขันของร่างกายแต่ละคนอันนี้ก็ต้องดูบางคนกินอาหารชนิดนี้แล้วอึดอัดภาวนายากแน่นท้องอะไรเงี้ก็อย่าไปกินมันนะนั้นการที่กินมังสวิรัตก็ไม่ได้ทําให้รู้ธรรมเร็วกว่าไม่ได้กินมังสวิรัต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 ทุรนทุรายขึ้นมามันจะเสื่อมนานหลายเดือนบางคนเสื่อมเป็นปีเลยแต่บางคนใจถึงเห็นว่าวันนี้ไม่มีสติเลยก็รู้ว่าวันนี้ไม่มีสตินะใจเป็นกลางรู้ตื่นเบิกบานในฉับรันนั้นเลยนะอยู่ที่ว่าใจเราเป็นกลางไหมถ้าใจเราเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะนะัมันไม่เจริญไม่เสื่อมอนะมาดีนะโยมภาวนาดีดีใจด้วยกับนมัส ก, การค่ะหลวงพอ่อ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 อย่าหลงไปอยู่กับความสุขดีใช้ได้ความจริงนะโยมต้องการคำเดียวนะดี <laughs> <laughs> ถ้าหลงภาพบางทีกว่าจะตอบนะบางคนหลงภาพก็ไม่ยอมบอกใช่ไหมอธิบายธรรมะไปนะใจโยมอยาค่อยแป้วไปเรื่อยๆเข <laughs> บอกเออดีแล้วสบายใจสบายใจเป็นทุกคนแหละนะ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 อย่างหลวงปู่สิมนะมีคราวหนึ่งภาวนาแล้วจิตรวมรูปเดียวทํายังไงไงก็รวมแบบรวมแบบสลบอะ่ะหัวสู้หัวซนหมดความรู้สึกเลยตลอดเวลาขนาดเดินจงกรมก็เป็นนั่งขัดสมาธิเพชรก็เป็นทําไงก็เป็นไปถามท่านว่ามันเป็นอย่างนี้จะแก้อย่างไรท่านตอบว่าอย่ยสงสัยอะไรทําไปสินะดูครูบาอาจารย์นั้นไม่บอกง่าย ต้องตีความมากมายนะหรือหลวงปู่ดุลนะสอนอะไรนะสอนเหมือนกับชี้แลนด์มาร์เท่านั้นนะไม่บอกวิธีไปชี้เป้าต่อไปอยู่ตรงนู้นนะทีชี้เป้าทีเดียวคัววสุดท้ายเลยหนะลวงปู่ดุลดาทางให้คลำเอาเองเขาที่แล้วไปหาที่สนเรษธรร ม, มครับแล้วหลวงพ่อให้ดูสามอย่างซึ่งตอนนั้นก็ฟังไม่แน่ชัดว่าคือคือสามอย่างอะไร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 ครับเราไปดูถ้าเราก็ไปเปิดประตูรับเพราะงัน้นต่อไปใครมาเพ่งใส่เนี่ยนะเราก็แค่รู้สึกของเราไปดูใจเราไม่ไปดูเขามันจะทะลุผ่านไปเฉยๆกราบนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ อ, อ, อยากขอโอกาสจากหลวงพ่อสักสองสมข้อเจ้าค่ะประการแรกอยากจะเป็นประจักษ์พยานนะคะว่า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 ร่างกายเนี่ยมันต้องการพักเราก็อย่าไปฝืนมันแต่เมื่อมันพักนะพักเพียงพอแล้วเนี่ยใจเริ่มตื่นขึ้นมาล้วก็ดูของเราต่อไปเลยแต่มันขี้เกียจสิคะขี้เกียจไม่ใช่ง่วงนะตรงตรงนี้ก็ก็ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราขี้เกียจนะคะถ้าทันทีที่สติระลึกรู้ความขี้เกี ย, นะกยจะ น, นะนะความขี้เกียจจะดับทันทีสติแท้ๆเกิดขึ้นมาเพราะความขี้เกียจเป็นกิเลสแต่ ง, ง่วงไม่ใช่กิเลส แต่ก็ไม่งั้นก็ไม่ให้ตามแต่ก็<ม>รู้ ไ, ไว้แต่บางคนต้านง่วงก็ฝืนฝืนฝืนนะก็ปวดหัวนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่สภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่คล้อยตามแล้วก็ไม่ต่อต้านอย่างบางคนเวลาจิตจะรวมแล้วฝืนก็วปวดหัวเลยหรือจิตรวมอยู่แล้วอยู่ๆจะดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาก็ปวดหัวเลยอยันนี้ไม่ดีให้เขารวมก็รวมของเขาเองเขาถอยขึ้นมาก็ให้เขาถอยของเขาเองนะมันจะสบายๆไม่ต้านมัน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 ถ้ามันไม่กวนมันเป็นเท่ารหันนะเพราะฉะนั<อ>้นจิตเรามันยังมีอวิชชาอยู่<ะ>พอตื่นปั๊บเนี่ยพอเราไม่ว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติพอตื่นปั๊บเนี่ยจิตต้องวิ่งหางานทำาล้วนี่ถ้าสำหรับผู้ปฏิบัติพอตื่นนะจะรีบกวนหาจิตไว้ก่อนจะไว้ดูกวนะหรือพอตื่นขึ้นมาร่างกายเป็นยังไงจะจงใจดูห้ามไม่ได้หรอกแ ค, แค่รู้ทัน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 ไปดูเอานะได้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะใจซึมนิดหน่อยใจยังซึมอยู่ดูออกไหมหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวได้เลิกอ้อว่าไปนำมัสกัดพระอาจารย์นะคะไหนไหนอยู่ไห น, นคือคือขอค่ะ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 ซีดีไปให้เขาที่เขาสนใจตอนนี้ก็ขยายวงกว้างไปนะคะแล้วก็เขาสนใจนึกอยากได้หนังสืออริยสัจค่ะที่ เ, ออเยอรมันก็ส่งหนังสืออริยสัจไปให้อะคะ่ะอาจารย์ก็จะเรียนถามพระอาจารย์นะคะก็คือตัวเองนี่ตั้งแต่ตื่นนอนทึน้นมาก็จะเห็นจิตของตัวเองนะคะไหลไปอยู่ที่ความคิดนะคะแล้วก็จะเห็นสิ่งที่มากระทบ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 ผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วะไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกเพราะดีก็ไม่เที่ยงกลับขอบพระคุณค่ะ<อ><อ>ต้องมีอะไรแก้ไขไหมคะพระอาจารย์จะมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะไม่แก้สินะแต่<อ>จัดการกับความคิดที่ว่าทํายังไงแล้วจะดี่ะค<อ>ทํำยังไงก็ไม่ดีจ่ไว้นะ<อ>ว่าทําก็คือปรุงแต่งถ้ารู้ทันความปรุงแต่งถึงจะดีค่ะขอบคุณ คือผมปฏิบัติโดยการใช้วิธีดูริมฝีปากหรือไม่ก็ดูการกระพือที่หน้าผากนะครับเหมือนนี่อะไรแปลกแล้วก็ดูกระพือแล้วก็นั่งสมาธิไปก็รู้ว่ามันมันรู้กว้างแล้วกรู้ลึกแคบเข้ า, ามาครับแล้วอีกแบบหนึ่งคือมองดูกายกับใจเป็นภาพรวมเลยดูมันเกิดพื๊ดซึ่งกันและกันอันนี้แบบที่สองครับแล้วก็ในชีวิตประจําวันก็คือ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 กายตามที่เขาเป็นรู้สึกจิตใจตามที่เขาเป็นนะอย่าไปดัดแปลงมันโอตทำแบบที่สองดูครับเออั่งไปนั่งทำแบบที่สองไปเอาไม้ให้คนอื่นเขาไปก่อนหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านสองเรื่องคะ่ะเอมหนูจะบอกว่าบางทีเนี่ยนะ<อ>แป๊บ น, นึงนะเอาของคุณลืมตาขึ้นมาถ้าดูอย่างนี้นะอย่าให้ใจเคลิม้ม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 รู้สึกว่าอารมณ์สองสมตัวนั้นมันอยู่ข้างนอกอพร้อมๆกับหนูก็จะรู้สึกว่ามันมีเวทนานี่ต้องเจ็บปวดหมายความว่าอย่างนั้นไหมคะเป็นความ <ใน S 2> รู้สึกอื่นได้ไหมค<น>ะในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยนะมันมีสภาวะธรรมจำนวนมากเกิดขึ้นร่วมกันนะหนูจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในในกายหนูก็รู้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 คือบางครั้งสติมันก็เปลี่ยนไประ่องอันอื่นแล้วใช่ไหมมันก็เลยดูอันนี้ไม่จบมันก็ไปดูอันอื่นอการที่มันไปดูอันอื่นก็คืออันนี้จบไปแล้วอ๋อค่ะแล้วอันที่สองค่ะหลวงพ่อเวลาหนูนั่งวิปัสสนาพอหลับตาปุ๊บมันก็จะเห็นดําๆความมืดแต่มันก็จะอยู่แค่แค่ตาเราอ่ะแต่ว่ามีอยู่วันนึงอะค่ะหนูหลับตาปุ๊บ หนูก็จะรู้สึกโหวยวันนี้สบายมองอะไรได้กับกว้างๆแต่มันก็เป็นสีดำอ่ะแล้วหนูก็มองไปเรื่อยๆมองมองอย่างสบายมากเพราะว่ามันมองได้ไกลๆแล้วแป๊บหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกำแพงอากาศแต่มีความหนานั่นมากกว่าอากาศอ่ะทั้งหมดนั่นมันไม่ใช่วิปัสสนานะหรอคะอแล้วเราหนูนั่งดูไปสักพักหนึ่ง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 ก็คือหนูต้องไม่ดูต่อใช่ไหมคะก็อย่ไปหลงต่อสินะแต่หลับตาต่อไปก็ได้ห ล, <K ey> ลับตาได้ออหลับตาหรือลืมตานะไม่เกี่ยวกับวิปนะัสสนาแต่วิปัสสนาไม่ใช่ไปเห็นโน้นเห็นนี่วิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเท่านั้นนะ <K ey> แล้วทําไมมันไปเห็นนะคะอันนั้นเป็นผลของสมถะหนูไม่เคยทําสมถะนะลวงจิตมันติดสมถะนะแถมจิตมีโมหะเยอะด้วยมันจะมัว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 ต้องทำสมถะด้วยใช่ไหมคะถึงจะดีกว่านี้คือทำได้ก็ควรทำนะแต่ว่าหลวงพ่อยังไม่แน่ใจเพราะไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยเดี๋ยวจะนั่งไปดูอะไรต่ออะไรยุ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพยายามพุทโธไวก็ได้พุทโธมันไม่มีนิมิตพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะเวลาใจฟุ้งซ่านก็พุทโธเร็วๆใจสงบใจสบายแล้วก็พุทโธช้าๆถามนมัสการครับอาการสมถะวสี จิตไหลรวมนี่สังเกตยังไงครับว่าอย่างไงนะเดี๋ยวเอาหม่ยเอาการของสมถะระววัดสีแล้วก็จิตไหลลวมนี่สังเกตยังไงครับอาการของสมถะสมถะมันก็อยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของมันนะคือเพื่อความสุขเพื่อความสงบนะวิธีทําสมถะก็คือให้ใจเราเนี่ยคเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์ที่สบายสบายอันเดียวต้องสบายนะเคล็ดลับอยู่ที่สบาย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 นนดดยมันรวมเองรวมเองนะมันมันไม่หล่นวูบลงไปนะมันจะรู้<ม>เนื้อรู้ตัวตลอดสายเลยไม่ใช่วูบหมดสติอย่างนี้ไม่ได้นะหล่นวูบแต่เป็นแน่นฮะ ห, หล่วูบแต่เป็นแน่นเหมือ น, นอ๋อไม่<อ>ไม่ใช่รวมจริงเป็นสมถอะออไม่ไม่ใช่สมถะที่ดีนะฉะนั้นแต่ที่ดีรวมลงไปแล้วมีความสงบความสุขความโปร่งโล่งเบาสบายถ้ารวมแล้วเนี่ยอย่างนี้ไปอัดไว้อย่างนี้ไม่เรียกว่าจิตรวมนะ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 ไม่มีอะไรต้องเพิ่มแล้วใช่ไหมคะไม่มีนะไม่มีการเพิ่มนะมีแต่รู้ทันความปรุงแต่งแล้วเลิกความปรุงแต่งไปเองมันเลิกเองเราหลงอยู่กับความปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะไม่รู้จักจบจักสิน้นให้รู้ทันจิตที่มันปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันจะเลิกปรุงแต่งค่ะขอบคุณเจ้าค่ะอ่ากราบในมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะคืออยากจะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติมานี้ถูกทางหรือเปล่าคะถูกทางแล้ว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 เมื่อจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายแล้วจิตไม่ปรุงต่อพอความปรุงแต่งนัน้นดับลงไปแล้วจิตไม่ได้ปรุงต่อเนี่ยมันจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งที่เห็นนิพพานใช้เวลาสมควรครับเจอขอเป็นตัวแทนญาติโยมในที่นี้นะครับนำถวายทานแด่พระอา จ, จารย์นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเชิญสาธุยถาวาริวหาปูราปาริปุเรนตีสาขรางเอวเมวะอิโตจินังเปตาหนังอุปการปติอิชิตังปะฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิชจตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดป น, นาราโสยธามานิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพโรโควินั ส, สตูมาเตปวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวาอภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปจายโนจตตาโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง